ต่อไปพูดเพิรเจอร์เนี่ยนะบางทีพูดซะคอเจ็บคอแหบคอแห้งหมดเนี่ยนะร้องเพลงไนมะ่เคยร้องเพลงเมาแล้วร้องเพลงอะไรนะเพิรเจอร์นะก็พูดว่าก็ทุกทุกๆแล้วผลนะนะอย่างเนี้ยอย่างแบบงานสงกรานต์งานอะไรเนี่ยไปเที่ยวไปร้องรำทําเพลงไปเพิรเจอเนี่ยนะกินเหล้าเมายาเสร็จแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเสร็จแล้วก็มาทั้งทุกข์นอนเรียบแผลตั้ง น, าน้าเนี่ยนะก็จะหายมันทุกข์ทั้งในปัจจุบนันแล้วก็ทุกข์ต่อต่อไปเนี่ยนะก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะ ต่อไปก็อภิชาเนี่ยนะอภิชาอยากได้ของคนอื่นเนี่ยถามว่ามีความสุขไหมเห็นของคนอื่นแหมอยากให้มันเป็นของเราเหมือนคนที้ริพวกเพ่งแรงอภิชาก็อยู่ใกล้ๆกับริษยาเนี่ยนะพวกนี้ตาร้อนนอนไม่ค่อยหลับอยากจะได้เนี่ยนะเครียดมากนะทำไมตัวเองไม่ได้แบบคนอื่นเขาบ้างเลยเนี่ยนะปัจจุบันนี่ก็ทุกข์หนักอยู่แล้วแล้วต่อไปคนที่มีจิตพยาบาทเนี่ยนะเห็นใครก็เป็นคนที่แช่งคนอื่นอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยนะ ก็สังเกตดูก็ ว, ว่านั่งกับคนคนขับรถเนี่ยจะรู้เลยว่าคนขับรถบางคนเนี่ยโอ้ยนั่งแช่งนั่งสอนกดจราจรเต็มะให้คนข้างๆฟังอ่ะนะคนข้างไม่ได้ขับด้วยซะหน่อยเนี่ยนะแต่ว่าแหมก็ต้องนั่งฟังตาตกถาเรื่องการวิธีใช้รถใช้ถนนบนรถเนี่ยนะเหนื่อยๆ เ, เนี่ยนะนั่นก็โอ้ยสอนไอ้คนนั้นเลี้ยวซา้ายไอ้คนนี้ก็ต้องเลี้ยวขวาทําไมไม่เบรกมั่งทําไมไม่เนี่ย อยแนะนำคนอื่นนะไอ้คนข้างๆได้ยินจะหูจะชาจะป่วยตา ย, ยแล้วเนี่ยนะเขาบอโคนโคนไอ้คนข้างหน้าเขาไม่ได้ยินหรอกเนี่ยนะไอ้ชั้นเนี่ยได้ยินมานานแล้วนะเบื่อเต็มทีแล้วนะเมื่อไหร่จะเลิกเนี่ยนะวันหลังไม่ไปด้วยแลยนะถ้ายัางบ่นกันอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะก็คือรู้พูดทําไมเนี่ยนะบางทีก็ไม่สร้างสารรค์เลยเนี่ยนะทีก็พูดไปพูดมาบางทีคั น, ค, นคันเขาขับเร็วมากแล้วก็แช่งเขาส่งไปอีกใช่นะไหมไปไปสํานักพยาโยมเถอะไปอย่างเงี้ยเนี่ยบาปทั้งนั้นแหละ พวกนี้ทุกตอนนั้นอุย้ยเขาบอกว่าคนนั่งข้างๆอย่างเครียดเลยมันต้องพูดถึงใจของคนพูดเนี่ยนจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทุกข์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ทุกข์แบบต่อๆไปเนี่ยไม่รู้รอกว่าตัวเองกําลังทุกข์ขนาดไหนและผลแห่งความคิดเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ได้เป็นตารวจจราจรสักหน่อยเนี่ยนะดีให้เป็นจราจรไปยืนเฝ้าสี่แยกเลยจะรู้สึกเนี่ยนะว่ามันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยนะควบคุมจราจรขนาดนั้น อันต่อไปก็คือคนที่มีความเห็นผิดปัจจุบันนี้ก็ทุกข์แล้วก็ทุกข์สวยทุกข์ต่อต่อไปเช่นพวกอะไรนะพวกฤาษีทั้งหลายที่ไปเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเนี่ยนะทำให้ไปต้องทรมานอาทําตัวให้ทุกข์ให้ยากให้ลําบากเดือดอร้อนเผดร้อนพวกนี้ทุกข์ทั้งปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ทั้งต่ อ, ต, อต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ทุกข์อย่างนี้เนี่ยนะ เ, เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนารกนี้เรียกว่าสิ่งที่เป็น ทุกในปัจจุบันการถือปฏิบัติทุกในปัจจุบันแล้วก็ทุกต่อต่อไปในอนาคตเพราะบางคนในเรื่องอกุศลกรรมบททั้งสิบข้อด้วยความทุกข์ทรมานมากเสร็จแล้วก็ผลแห่งการล่วงอกุศลกรรมบทไม่เคยมีสวรรค์นิพพานเพราะอากุศลกรรมบทรอกอกุศลกรรมบทเป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาศแล้วก็นรกเพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบอกุศลกรรมบทด้วยความทุกข์ทางกายด้วยความทุกข์กายทุกใจเนี่ยพวกนี้ก็ให้ผลต่อไปเป็นความ ทุกกายและทุกใจกลุ่มที่สองพิสูุนทั้งหลายการยึดถือแล้วปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุขต่อปัจจุบนันแต่ต่อไปให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยนะปัจจุบันเนี้ยดูมีดูดีมีความสุขแม้ประสบแต่ความสุขความเจริญแต่ผลต่อไปในอนาคตเช่นบางพวกชอบฆ่าสัตว์มีความสุขโสมนัสเพราะการฆ่าสัตสว์เสวยสุขโสมนัสเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเช่น ยิ่งค่ายิ่งรวยเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ดีใจชอบใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ยิ่งค่ายิ่งรวยยิ่งค่ามากเท่าไรก็ยิ่งรวยท่านั้นก็ดีใจโอ้ดีใจแท้เนี่ยนะหรือไปได้ค่าในสิ่งที่กคนที่เราอยากค่าเนี่ยนะแม้ดีใจมากที่มันตายให้ซะได้ก็ดีเนี่ยนะได้เข็นได้ค่าก่อนค่าก็ดีใจที่จะได้ค่าค่าเสร็จแล้วก็ดีใจแต่กําลังค่านี่เดือดร้อนเสร็จแล้วก็ถามว่าอันนี้เรียกว่าสุขปัจจุบันไงโอ้ตอนค่ายิ่งค่าเท่าไรยิ่งมีความสุขใช่ไหม อย่างเช่นบอกว่าบางทีเนี่ยอาชีพบางอาชีพที่เราสังฆ่าสัตว์วันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะโอ้ช่วงนี้ดีเหลือเกินฆ่าวันละพันว่าเราฆ่าวันละห้าพันเนี่ยนะทีก็มาฟังแล้วตกใจเหมือนกันว่าหมูเนี่ยจังหวัดเดียวจังหวัดเดียวเนี่ยนะครับว่าฆ่าวันละประมาณสามร้อยตัวไก่วันละเป็นหมื่นตัววันละเป็นหมื่นตัวเนี่ยนะว่ทั้งหมูทั้งไก่ทั้งอย่างอื่นอีกทั้งวันเนี่ยต่อวันเนี่ยนะกี่กี่ร้อยล้านตัวโอ้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเหลือเกินเนี่ยนะสัตว์ตายเยอะแยะเลยเน เขาเศรษฐกิจไม่ดีดูจากอะไรหมูมันตายน้อยลงเป็นต้นเนี่ยนะไก่มันตายน้อยลงมันอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขในปัจจุบันเขาบอกว่าอา้าวก็ศาสตร์พวกนี้เกิดมาเป็นอาหารของพวกเราคุณพูดเองเนี่ยนะมันไม่ได้พูดแบบคุณหรอกเนี่ยนะแล้วก็เวลากรรมมันให้ผ ล, ลก็จะรู้สึกเนี่ยนะว่าอันนให้เรียกว่าสะท้อนสิ่งใดออกไปนั่นแหละคือกำไรที่ตัวเองจะได้รับใน อนาคตพันสะท้อนปาณาติบาตถึงจะอยู่ดีมีความสุขในเบื้องต้นแต่ต่อไปล่ะเนี่ยนะเราจะสุขอย่างนี้ตลอดไปไหมที่เป็นสุขอย่างนี้ไม่ปเพราะว่าบุญหลา ย, ลายอย่างมันปกปักรักษาเอาไว้รอกเนี่ยนะก็ดูดีมีความสุขนะยิ่งค่ายิ่งเจริญเป็นต้นแต่จริงๆแล้วไม่หรอกนะยิ่งเดือดร้อนอลไแหละต่อไปในอนาคต บางพวกเนี่ยนะลักทรัพย์พร้อมกับความสุขและโสมนัสก็เรายิ่งโกงยิ่งรวยยิ่งมีความสุขเพลินอยู่สบายสุขเหลือเกินเนี่ยนะสบายใจเหลือเกินแต่ว่าผลต่อไปในอนาคตล่ะเนี่ยนะอาจจะจริงเนี่ยนะสบายทุกอย่างสมความปรารถนาได้อย่างที่ต้องการเนี่ยนะเมื่อขโมยเสร็จจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือทําอะไรได้สมความปรารถนาจะไปเที่ยวจะไปอะไรก็ได้สมใจอยากหมดทุกเรื่องหมดเลยเนี่ยนะอาจจะดูสบายจริงใน เบื้องต้นในอนาคตเราไม่สงสารตัวเองเลยหรือเนี่ยนะบางพวกก็ชอบทําประพฤติผิดกาในกามในปัจจุบันแล้วก็มีความสุขสมนัติในการประพฤติผิดในกามในปัจจุบันเนี่ยนะก็มีความสุขพวกนี้ก็ล่ากามีสุมิชาวอาจารย์มรคนสองคนเนี่ยนะทำไปเรื่อยๆบางคนนี่เขามีสติทิของเขาในการทํากามีเนี่ยนะ การเมีต้องได้วันละคนมันปีหนึ่งกี่ร้อยคนก ว, ว่าไปเนี่ยนะก็ทำอย่างนี้สักามี่สปีเนี่ยนะบางคนเนี่ยทำจนถึงอายุเจ็ดปดสิบก็มีเนี่ยนะแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ฝรั่งเนี่ยมาก ก, ก, ก็ก็มีความสุขดีนะแล้วบุญเก่ามันก็ตามปกปักรักษาให้สุขภาพแข็งแรงเป็นต้นเนี่ยนะตายแต่ว่าหลังจากตายแล้วก็อย่าได้เป็นญาติกันเลยอนนค นี่ต่อไปเนี่ยนะบางพวกนี่มีความสุ ข, ขในการพูดเท็จเนี่ยนะพูดจริงปนเล่นเล่นปนจริงพูดมูสาวา่าเลยนะจริงปนเท็จเท็จปนจริงพูดไปเนี่ยนะมีความสุขมากที่การหลอกคนอื่นแกล้งคนอื่นพูดให้คนอื่นอ่าเรียกว่ามีความสุ ข, ขในการพูดเท็จอ่ะนะพูดแล้วให้คนอื่นเข้าใจผิดผิอะไรผิดๆตัวเองนั่งคำ้ำมีความสุขสุขอย่างนี้แหละที่จะทุกข์ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ บางคนเนี่ยพูดส่อเสียดแล้วก็พูดยุแยกถ้าพูดแล้วบ้านไหนเขาแตกแยกกันฟังดีตัวเองมีความสุขพูดแล้วเขาแตกแยกกันพูดแล้วก็ได้4ี่ห้ากกสิบกกเจ็ดกเนี่ยนะอ้ยิ่งมีความสุขพวกนี้แหละมีความสุขในการส่อเสียดแต่ว่าสบายใจมากดีใจมากเนยนะถ้ายิ่งเขาแตกแยกกันเท่าไหร่เราก็เจริญเท่านั้นมันก็ยุแย่ yeah. ให้เขาแตกแยกกันไปเรื่อยแล้วเนี่ยทุกสุขในปัจจุบันก็จริงแต่อนาคตล่ะเงี้ยนะ เพราะเจตนาเลวร้ายที่ตนให้แก่คนอื่นเจตนาเลวร้ายนั้นจะย้อนกลับมาหาตน น, นะนะใต่อไปบางคนไี่มีความสุขในการพูดคำหยาบหมายก็ว่าด่าเขาไปเนี่ยนะด่าเขาอย่างมีความสุขเนี่ยยิ่งด่าเขาเท่าไหร่ยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นเท่าไหร่ตัวเองก็มีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นยิ่งดา่ายิ่งมีความสุขเนี่ยพวกนี้อะไรจะเกิดขึ้นนนะนต่อไปก็ เดือดร้อนแน่ในอนาคตบางพวกเพอเจอร์เนี่ยนะมีความสุขในการเพอเจอร์เนี่ยยิ่งเพอเจอร์มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขสังเกตดูนะผู้เรื่องบางทนนีนั่งพูดไปสามชั่วโมงเอ็มพูดอะไรเนี่ยเนี่ ย, ยแล้วก็บอกว่มีความสุขเหลือเกินเป็นต้นถามว่าผลแห่งความเพอเจอร์เหล่านั้นล่ะเวลามันให้ผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรนาะเนี่ยนะจะเจ็บปวดจะทุกร้อนจะเดือดร้อนถึงไหนเนาะเนี่ยนะ อย่างบางทีเนี่ยนะอย่างเป็นเท่นตลกพูดพูดจริงปนเท็จเท็จปนจริงพูดตลกโคาเนี่ยนะพูดโจกสั ป, ปดีดสับ ป, ประรเนี่ยผู้รู้มีความสุขเพลิดเพลินมากแต่เวลามันให้ผลละ่ะอะไรเวลามันให้ผ ล, ละเจ็บปวดมากตอนทํานี่แหมมีความสุขเหลือเกินเนี่ยนะเขาเรียกว่าวงการบันเทิงเขาว่าอะไรนะนะบันเทิงเขาว่าโอ้ยเพลิดเพลินมีความสุขสนุกสนานเนี่ย น, นะพอมากาลังนึกถึงว่าเหตุเนี่ยใช่ล่ะแต่ว่าผลของเหตุละ นะผลวัตกรรมมันมีผลอยู่แล้วล่ะเนี่ยนะนั่นคนที่เพอ้อเจอ้อพูดจริงปนเท็จเท็จปนจริงพูดอกุศลทั้งหลายเนี่ยอยากคิดว่าเขามีความสุขคนที่ตลกจริงอะ่ะไม่ตลกเลยเนี่ยนะชีวิตเขาไม่ได้ตลกพวกนี้เครียดมากเนี่ยนะอยากคิดว่าเขาแบบแม้ออกหน้าเวทีแล้วพูดอย่างมีความสุขตลกโบกาแล้วแม้เขามีความสุขแล้วเกินชีวิตมีแต่บุกตลกขำตลอดบอกไม่ตรงกันข้ามเลยเนี่ยนะนั้นชีวิตเหล่านี้ก็ทุกปัจจุบัน อาจบางทีอาจจะสุขบางครั้งอาจจะดูเหมือนมีความสุขในปัจจุบันแต่ว่าอนนะัเสมือนหนึ่งมีความสุขแต่มันไม่ใช่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดแบบเหตุผลง่ายๆบอกจะสร้างความทุกข์ให้แก่ตัวเองไปถึงไหนเนี่ยนะทำไมจะต้องหาข้ออ้างให้ตัวเองปนบาปเปื้อนบาปอยู่ตลอดเวลาเล่าเนี่ยนะบางทีไม่มีความจำเป็นเลยเราที่เราต้องไปเปื้อนบาปเนี่ยนะ แค่อยากให้คนอื่นหัวเราะแล้วเราเปื้อนบาปกลับมามันไม่ขำเลยเลยนะไม่อยากให้คนอื่นเขาหัวเราะแล้วเอามีดมากรีดหน้าตัวเองละชั้นนี่เก่งมากแล้วนะกรีดหน้าตัวเองไงนะไม่อยากให้คนอื่นเขาหัวเราะแล้วก็ควักลูกกตาออกมาเอาเอาท้าขยี้เล่นอย่างเงี้ยถาวมว่ามันพวกนี้มันเดือดร้อนต่อไปในอนาคตขนาดไหนพันธบางอย่างเนี่ยเราต้องมากําหนดให้ดีว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดจากความฉลาดแค่ไหนเนี่ยนะเหตุปัจจุบันเป็นอย่างไรและผลที่จะได้รับต่อไปนี้เป็นอย่างไร เพราะพระพุทธศาสนาพูดถึงปัจจุบันในเหตุไม่ใช่แบบแม้ทั้งชาติทุกครั้งที่เราขยับตัวเนี่ยคือปัจจุบันเหตุทุกครั้งที่เราพูดทุกคําพูดเนี่ยนะก็คือปัจจุบันเหตุทุกๆความคิดที่เราคิดเนี่ยนะคือเหตุที่จักมีผลต่อไปในอนาคตบางอย่างเป็นกลุ่มเหตุปัจจัย เรียว่าบางอย่างเป็นกลุ่มสหาชาตปัจจัยบางอย่างเป็นกลุ่มอุปนิสยปัจจัยบางอย่างเป็นกลุ่มนา น, นัคขาคเนกกรร ม, มปัจจัยเนี่ยนะผันพวกนี้มันจะเป็นปัจจัยสะท้อนย้อนเข้าไปหาตัวเราทั้งหมดนะในอนาคตที่จะมีต่อต่ อ, ตอไปบางที่อยาเห็นแก่ความสุขสบายในปัจจุบันเพียงชั่วเล็กน้อยเลยเนี่ยนะจะอาจจะดูมีความสุขแต่ว่าต่อไปในอนาคตล่ะบางพวกเนี่ยนะมีความสุขในการมีอภิชาใช่ไหม ปรารถนาโอ้ยแพ่งเลง็งเห็นของคนอื่นนาะมาเป็นของตนไปหมดเลยเนี่ยนะจะมีความสุขแหมจะได้อันนั้นจะมีความสุขแหมถ้าอันนั้นมาเป็นของเราแล้วเราก็จะมีความสุขมากแต่ว่าถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะถ้าจุติและปฏิสนธิอยู่ณนะที่ ท, ที่ตัวเองต้องการจริงๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าอภิชาตไม่ได้คิดร่วมกับกุศลอะไรมันถ้าเกิดร่วมกับอกุศลแล้วจะไปไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพ้มมาม่านสวยๆแวกดูเธอเนี่ยนะสัตว์อยู่ในนั้นเท่าไหร่เนี่ยนะใช่ไหม พรมแหมสวยๆไรฝุ่นอยู่ในนั้นอะ่ะเท่าไร น, นะปั้นทุกอย่างอย่างเช่ะบ้านทั้งหลายแหมไม้ปาเก้ปูสวยแล้วปลวกอยู่ในนั้นอะ่ะเท่าไหร่เป็นต้นถ้าเรารู้รู้ดูดูแล้วเนี่ยนะจะรู้ว่าทุกแห่งมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกนั้นสิ่งใดที่เราคิดว่าเป็นที่ตั้งแห่งความสุขในปัจจุบันสุขจริงหรือต่อไปในอนานะคตมาตั้งคําถามเนี่ยนะการตั้งคําถามแบบนี้ถ้าเราทําดีอยู่แล้วก็น่าอนุโมทนาน่าเชื่อชมไม่ต้องเปลี่ยนแปลง แต่การสํารวจตรวจสอบการพิจารณาเป็นหน้าที่ของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเขาจะสํารวจตรวจสอบว่ามันดีจริงไหมมันให้ผลเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีก็จะได้แก้ไขถ้ามันดีอยู่แล้วก็จะได้มั่นใจทใํามายิ่งกว่าเดิมเนี่ยนะวันการสํารวจตรวจสอบการพิจารณานั่นแหละเป็นหน้าที่ของบัณฑิตบัณฑิตจึงจะรู้ว่าอะไรเป็นเหตุในแห่งสุขในปัจจุบันหรืออะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ในที่ที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะว่ากําลังทําอะไรอยู่เน บางพวกก็มีความสุขกับการแช่งคนอื่นเพ่งเลงคนอื่นเนี่ยนะมีความสุขในการที่มีจิตพยาบาทคิดเบียดเบียนผู้อื่นแต่ผลที่ตัวเองจะได้รับอนาคตล่ะ บางพวกมีความเห็นผิดเนี่ยนะเป็นเจ้าลทัทธิเป็นมิจฉาทิฏฐิสอนมิจฉาทิฏฐิเผยแพร่มิจฉามีความเห็นผิดบริบูรณ์ไปด้วยลาบสการะชื่อเสียงและสรรเสริญเป็นต้นและสิ่งเหล่านี้มีผลยังไงในอนาคตเนี่ยนะเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกก็เข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนารกนี่เรียกว่าสุขในปัจจุบนันแต่ให้ผลเป็นทุกข์ใน อนาคตเนี่ยนะพัาการที่ทำทำการทำอะไรที่มันล่วงอกุศลกรรมบทเนี่ยนะดูดีมีความสุขในปัจจุบันแล้วอนาคตล่ะอนาคตเนี่ยต้องไม่ลืมว่าอดีตเหตเุปัจจุบันเหตุและอนาคตผลอนาคตเขาบอกบางคนก็บอกอยู่ไกลเนี่ยนะเราจะคิดหรือว่าอายุเราห้าหกปีนี่มันมาเร็วหรือมันมาช้าบางคนก็บอกว่าเอาเนี่ยปีนี้50แล้วปีนี้60แล้วน้องเรืองปีนี้เกือบจะ70แล้วน้าเรืองอ่ะ เกือบนะไม่ได้บอกว่าถึงเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็เจ็ดสิบแล้วนะั่งเรื่องนะจะเป็นนานอะไรเนะี่ยเมื่อก่อนไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่หลายคนบอกแป๊บเดียว แห้ก็คุยไปคุยมาตอนนั้นก็อายุหกสิบกว่าเอาตอนละเอาเจิแล้วเหรอว่าอะไรจะวัยขนาดนั้นแป๊บเดียวถ้าท่านวัยขนาดนั้นแล้วเราล่ะก็วัยเหมือนกันนะะแป๊บเดียวนะย้อนกลับไปดูเด็กๆว่าเราแก่ขนาดนี้เลยเเพราะงั้นมันก็มันก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็โชคดีหน่อยนะก็อยู่ในเนี่ยในกลุ่มคนอายุมากๆก็เลยเรายังดูเด็กๆเนี่ยนะที่ไหนได้ ไปเข้าใจผิดเลยเนี่ยนะมองเห็นน้องพาปั๊บเนี่ยรู้เลยแบบโหเราเนี่แก่ขนาดนี้เลยเลยเนี่ยนะก็อย่างนี้แหละวัตตะเนี่ยนะเวียนไหวตายเกินก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าอย่าลืมว่าเหตุที่กําลังทําอยู่ผลต่อไปควรจะเป็นอะไรเนี่ยนะผลที่ได้รับต่อไปควรจะเป็นอะไรคิดว่าจะหัวเราะรับหรือว่าร้องไห้รับดีผลที่ทําอ่ะนะยิ้มมาเถอะมาเถอะโอ้อยากให้บุญมันให้ผลมานานแล้วเนี่ยนะแต่ว่าหรือว่าแม้หยาเลยหยาเลยจะหลบไปอยู่ตรงไหนดีเนาะเนี่ยนะ ก็ทบทวนเอาเนี่ยนะแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าโอ้ยที่ผ่านมาที่ผ่านมาสําคัญตร ง, ตรงที่ว่าขณะนี้คือเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยจะเป็นปุเพกะตะปุญญาตาหรือว่าปุเพอกะกตะปุญญาตาเนี่ยนะสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้แหละมันจะเป็นบุญต่อไปหรือไม่เนี่ยนะเพราะว่าขณะนี้อย่างที่เราทําเนี่ยนะอย่าไปคิดว่ามันจะชาติหน้ามันจะอยู่ไกลนะ เพราะพวกนี้จะเป็นอดีตชาติทันทีเลยเนี่ยที่เราคุยคุยกันเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดีย ว, ยวมันก็เป็นอดีตชาติแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวก็เป็นอดีตชาติแล้วจะเป็นนานอะไรเพราะ at, สิ่งที่เราสังสมปัจจุบันเนี่ยควรใจหัวเราะรับหรือว่ายิ้มรับหรือว่าร้องให้รับหรือแม้ก็เรียกว่าต้องไปเที่ยวสะดะเคราะห์เลยเอาอย่าเลยอย่ามาอย่าทันเลยเบี่ยงที่สุดหลบที่สุดเนี่ยนะก็เรียกว่าหนีเคราะห์นีกรรมหนีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็คือสิ่งนี้อ่าจะอ่าสิ่งที่เรากําลังทําในปัจจุบัน ควรจะเป็นโชควาสนาในอนาคตหรือควรจะเป็นเคราะห์ร้ายกรรมร้ายที่จะตามให้ผลในอนาคตเพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะมันก็เหมือนกับวิชาเรียนผูกดวงให้กับตัวเองในอนาคตจะเอาดวงผู้อะไรเอาดวงกลุ่มไหนอ่ะจะเกิดราศีอะไรก็เลือกเอาก็แล้วกันนะราศีตระกูลสูงก็นู่นแหละนอบน้อมพรัตนะไตรามากๆ นะราศีอยู่ดีมีสุขก็เนี่ยสร้างเหตุแห่งความสุขเธอเดี๋ยวมันต่อไปมันก็ดีเองแหละแต่ถ้าหากว่าแม้ทําแต่ชั่วแล้วอยากได้ดวงดีๆเนี่ยก็กรรมของดวงจริงๆเนี่ยนะนี่ต่อไปมาดูข้ออื่นอีกเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เป็นทุกข์ในปัจจุบันแต่มีความสุขต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเช่นบางคนเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยนะการรักษาศีนี่มันทุกแท้เนี่ยนะ ทุกในปัจจุบันเพราะเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยอยู่ด้วยความทุกข์มากบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นเขามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาอยากจะรักษาศีลเขาไม่ยอมฆ่าสัตว์ถูกด่าเช้าด่าเย็นว่ามันไม่ยอมทํามาหากินมันไม่โอ้ถูกด่าเช้าเย็นอ่ะนะไอ้คนนี้มันก็หนักไปทางขี้เกียจ ด, ด้วยเหมือนกันมันก็เลยสมควรกับการถูกด่านะ่ยนะมันก็ไม่ไม่ไปทําอย่างอื่นที่มันดีมีค่าหน่อยพรก็าบางคนเนี่ยแต่ว่าเหตุผลที่ถูกด่าก็เพราะไม่ฆ่าสัตว์นะ่ยนะ อาจจะเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยนะเดือดร้อนในปัจจุบันเช่นในเหตุการณ์บางอย่างถ้าเขาเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราไม่ฆ่าฆ่าสัตว์สัตว์มันก็เบียดเบียนเราเป็นต้นอาจจะทุกข์ในปัจจุบันแต่เจตนาที่เว้นนั้นอ่ะเป็นเหตุแห่งความสุขในอนาคตบางพวกเนี่ยเพราะเว้นจากการลักทรัพย์เนี่ยก็เลยปัจจุบันเนี่ยหมายความว่าถ้าเราโกงสักมันก็จะได้เงินสักก้อนหนึ่งไปใช้น่าจะอย่างมีความสุข แต่เพราะความที่เราไม่คดไม่โกงไม่อะไรอาจจะลำบากบ้างในตอนต้นเนี่ยนะแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขในอนาคตบางพวกเนี่ยนะขณะที่งดเว้นจากการมีสุมิชฌาจารย์ก็ทุกในปัจจุบนันเพราะไม่ทำความชั่วบางอย่างก็เป็นที่อะไรนะดูหมิ่นเยียดย้มกัะแนะกัะแสเป็นต้นของบางกลุ่มแต่ก็ให้ผลเป็นสุขต่อไปในอนาคตการพูดเท็จเนี่ยนะการพูดพูดความการไม่เว้นจาก การงดเว้นจากพูดความจริงเนี่ยบางคนเนี่ยขณะที่เว้นเนี่ยเพราะความที่ไม่ฉลาดเนี่ยก็เลยได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความลําบากแต่การงดเว้นจากการพูดเท็จก็เป็นเหตุแห่งความสุขในอนาคตเนี่ยนะการเว้นจากทำพูดส่อเสียดเนี่ยอาจจะทุกบางคนเนี่ยทำแล้วก็เป็นทุกในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะว่าไปอยู่ในบางสถานเหตุการณ์สถานที่บางทีเนี่ยถ้าไม่ส่อเสียดเราก็อยู่ลําบากทีนี้พอเราเว้นจากการส่อเสียดเราก็เดือดร้อน แต่ว่าไอ้ความเดือดร้อนอันนี้เดือดร้อนในปัจจุบันทุกในปัจจุบันแต่ก็เป็นปัจจัยแห่งความสุขในอนาคตเนี่ยนะบางทีการที่เราไม่พูดคําหยาบเขาด่าเราแล้วเราไม่ด่าตอบเหมือนกับว่ากลืนน้าลายไว้ในอกตลอดเนี่ยไอ้ไม่ใช่น้ําลายกลืนน้าตาไว้ในอกตลอดเพราะตัวเองถูกด่าบ่อยๆเนี่ยนะทีนี้ถามว่าเหมือนกับถูกด่าบ่อยๆก็ต้องแม่ไม่กล้าด่าตอบถ้าเราด่าตอบเขาก็เลิกดา่าแต่ว่าก็ยอมไม่ยอมที่จะละเมิดเนี่ยนะบางทีก็อาจจะเรียกว่าเก็บกดในใจบ้างเป็นครั้งคราวแต่ การที่เราไม่ด่าตอบเป็นต้นเนี่ยนะนั่นก็เป็นปเหตุเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่จะมีในอนาคตบางทีเนี่ยถ้าเราเพริรเจอร์เราก็สบายะนะแต่ว่าการเพริรเจอร์ก็เป็นเหตุงดเว้นจากการเพริรเจอร์ก็เลยทุกโทมนัทเนี่ยนะการงดเว้นจากความเพริรเจอร์ถึงว่าทุกโทมนัทในปัจจุบนันแต่ก็ให้ผลเป็นความสุขในอนาคต